ยะสะวครคหมวดว่าด้วยพระยะสะเทระเป็นต้นหนึ่งยศะะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระยศะะเทระพระยศะะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าวิมานข้าพเจ้าได้สร้างไว้ดีแล้วให้ยื่นลงไปในมหาสมุทรสะโบครณีข้าพเจ้าก็สร้างไว้ดีแล้ว ทั้งยังมีนกจากกระพาคมาส่งเสียงร้องขับขานที่วิมานนั้นแม่น้ําก็ดารด า, ดาด้วยบัวเผืนดอกปทุมและดอกอุบลมีท่าน้ําราบเรียบน่ารื่นรมย์ใจกระแสน้ําก็ไหลไปอื่อยเอื่อยแม่น้ํานั้นก็ชุกชุมไปด้วยปลาและเต่าคลาคล่ำไปด้วยนกน า, นานาชนิดมีนกยูงนกกระเรียนและนกดู่าเป็นต้นต่างก็ส่งเสียงร้องอย่างไพเราะ ที่แม่น้ำนี้นั้นมีนกพิราบนกเป็ดน้ำนกจักระภาคนกกาน้ำนกกระทานกสาลิกานกเขาไฟนกโพระดกหงนกเกรเรียนนกเขาแมวนกขมิ้นเหลืองอ่อนมากมายพาเป็นส่งเสียงร้องแม่น้ำโคตรสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีแก้วมณีแก้วมุกดาและแก้วประพานเป็นต้นต้นไม้ทุกชนิดล้วนเป็นทองคํา แอรอาจยัดเยียดด้วยลำต้นขนาดต่างๆส่งวิมานของข้าพเจ้าให้สว่างทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดการทุกเมื่อเครื่องดนตรีหกหมืนชิ้นก็บรรเลงอยู่ทั้งเช้าและเย็นสตรีหนึ่งนพันนางก็แวดล้อมข้าพเจ้าอยู่ทุกเมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีออกจากวิมานแล้วกราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุมเมทะผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก มีประยชน์ยิ่งใหญ่พระองค์นั้นเขาพเจ้าครั้นถวายอภิวาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงทูลนิมนต์พระพุทธองค์พร้อมทั้งพิษุสง์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมทะผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงเป็นนักปราชพระองค์นั้นทรงรับนิมนต์แล้วพระมหาโมนีทรงแสดงธรรมเนกถาแก่เขาพเจ้าแล้วจึงทรงเข้าพระเจ้าไป ข้าพเจ้าถวายอภิวาสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงเข้าสู่วิมานของตนครั้งนั้นข้าพเจ้าเรียกบริวารชนมาประชุมกันทั้งหมดโดยแจ้งให้ทราบว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมายังวิมานของเราในเวลาเช้าการที่พวกเราอยู่ในที่ใกล้ของพระองค์นับว่าเป็นลาภของพวกเราที่พวกเราได้ดีแล้วแม้พวกเราก็จะได้บูชาพระาศาสดา ผู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเขาพระเจ้าจัดตั้งข้าวน้ำเสร็จแล้วจึงให้คนไปกราบทูลบอกเวลาพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกได้เสด็จมาถึงพร้อมด้วยพระอรหันต์หนึ่งแสนรูปผู้ได้วสีเขาพระเจ้าได้รับเสด็จด้วยดนตรีประกอบด้วยองค์ห้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุรุษสูงสุดประทับนั่งบนตังที่เป็นทองคาล้วนคราวนั้น เครื่องมุงเบื้องบนเป็นทองคำล้วนเหล่าชนพากันกระเพอพัดพิสุสงผู้ยอดเยี่ยมข้าพเจ้าเลี้ยงพิสุสงให้อิ่มน้ำเด้อกข้าวน้าอย่างเพียงพอได้ถวายผ้าแก่พิสุสงองค์ละคู่เพราะพทะเจ้าพระนามว่าสุมเมทะผู้สมควรรับเครื่องบูชาพระองค์นั้นประทับนั่งในถ้ากลางภิสุสงแล้วได้ตรัสคำเป็นพระคถาเหล่านี้ว่า เราจากประกาศเกียรติคุณของผู้ที่เลี้ยงเราและพิสูจเหล่านี้ทั้งหมดให้อิ่นน้ำดืวอข้าวและน้ำท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดผู้นั้นจะรื่นเริงในเทวโลกตลอดหนึ่งพันแปดรอกับจะเกิดเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิพันชาติเขาจะเกิดยังกำเนิดใดเคอจะเป็นกำเนิดเทวดาหรือกำเนิดมนุษย์ก็ตามเขาจะมีเครื่องมุงบางที่เป็นทองคาล้วนคอยกลางกั้น ในกลับที่สามหมื่นนับจากกลับนี้พระาศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโครสรงสมภพในราชสกุลโอกากาการาชจากอุบัติขึ้นในโลกเขาจักเป็นธรรมทายาทของพระาศาสดาพระองค์นั้นเป็นโอรสที่ทรเนรมิตกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้วนิพพานเขาจาักนั่งในถ้ำกลางพระสงฆ์บรรลยสีหนาฏ ชนทั้งหลายคอยกั้นฉัดให้เขาแม้ที่เชิงตะกอนเขาจะถูกเผาภายใต้ฉัดสามัญญผลข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผ า, เาได้แล้วข้าพเจ้าไม่มีความสะดุ้งไม่ว่าจะเป็นที่มนดกหรือที่โคลไม้เนื้อกับที่สามหมื่นนับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลอย่างการถวายทานทั้งปวง กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็อถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะบุดพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการที่ข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลาดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทาสาเร็จแล้ว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 ประวัติในดิทชาตของพระนทีกะสปะเทระพระนทีกัสปะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิทชาตของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมมุตระผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่ผู้เป็นพระาศาสดาสเสด็จโคจรบินทบาทข้าพเจ้าได้ถือผลไม้ที่มีรสเลิศอันยอดเยี่ยมมีชื่อเสียงตามวาระได้ถวายแด่พระองค์ เพราะกรรมนั้นข้าพเจ้าได้เปิดเป็นจอมเทพผู้เจริญที่สุดในโลกเป็นผู้องอาจกว่านรชนและความชนะและความพ่ายแพ้ได้แล้วบรรุฐานะที่ไม่หวันว่นไหวเลขกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ที่มีรสเลิศกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้ว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 พระยากะสปะเทระประธานประวัติในดิจชาติของพระพยากัสปะเทระพระพยากัสปะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้านุ่งห่มหนังสัตว์สะายหาบระยคารได้นําหาบใส่ผลกระเบาไปอาสมสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคชิเจ้าพระองค์เดียวไม่มีสาวกติดตาม ทรงมีพระรัศมีชั่วช่วงตลอดการทั้งปวงได้จเจดด็จเข้ามายังอาสมของข้าพเจ้าข้าพเจ้าทําจิตของตนให้เลื่อมใสถวายอภิวาทพระชินเจ้าผู้มีวัดงดงามถวายผลกระเบาแด่พระพุทธเจ้าได้เมือทั้งสองในกลับที่สาสเอ็ดนับจากกลับนี้ข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปฏิเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลกระเบา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 คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกปดและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าท่านพระขยากัสปะเทระได้พาสิทธิ์คาถาเหล่านี้ด้วยพระการะชนิขยากัสปะเทราประทานที่สามจบสี่ กิมิลเทระประธานประวัติในติจชาติของพระกิมิลเทระพระกิมิลเทระเมื่อจะประกาศประวัติในติจชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัคุสันทะผู้เป็นเผ่าพันธ์ของพราหมณ์ทรงอยู่จบพรหมจรรย์เสด็จดับขันธะปรินิพานแล้วข้าพเจ้าถือเอาพวงมาลัยดอกสนไปให้ช่างทํามนตดบสถู ข้าพเจ้าไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวเดินได้วิมานชั้นสูงสุด ร, รุ่งเรืองล่วงเทวดาเหล่าอื่นนี้เป็นผลแห่งบุญกรรมข้าพเจ้าเมื่อจงกรมและยืนอยู่ในเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ตามก็มีดอกสนมุงบงังนี้เป็นผลแห่งบุญกรรมเนื่อกลับนี้เองข้าพเจ้าได้บูชาพระพุทธเจ้าไว้จึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า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 คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภินยาหกเขาพระเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าเขาได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระขีมิลเทระได้พาสิกข า, าเหล่านี้ด้วยบประการฉนิขีมิลเทราประทานที่สี่จบข้าวชีปุตตะเทราประทาน ประวัติในอดีตชาติของพระวชีบุตรเทระพระวชีบุตรเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสหสรางสีทรงเป็นพระสยามภูผู้มีทรงพ่ายแพ้ทรงออกจากวิเวกแล้วเสด็จออกโคจรบินธบาดเขาพระเจ้าถือผลไม้อยู่เห็นแล้วจึงไปใกล้พระพุทธองค์ผู้องค์อานกวานรชน เป็นผู้มีจิตเลื่อมใจมีใจยินดีได้ถวายผลไม้พร้อมทั้งขั่วเนี้กลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ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 ความสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าท่านพระวชีบุตรเถระได้พาสุดคาถาเหล่านี้ด้วยพระการะชนิวชีบุตรเถราประทานที่ห้าจบ 6. อุตรเถราประทานประวัติในดิตชาติของพระอุตรเถระ พระอุตรเถร ะ, เ, ระเมื่อจะประกาศประวัติในอดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมทะมีพระลักษณะอันประเสริฐสามสิบสองประการพระองค์ผู้มีวิเวกเป็นเยี่ยมจึงเสด็จเข้าไปยังป่าหิมพานครั้นเสด็จถึงป่าหิมพานแล้วพระมุนีผู้เลิศผู้เป็นบุรุษสูงสุดทรงประกอบด้วยพระปรุนา ก็ประทับนั่งขัดสมาธิครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นวิทยาธรสัญจรไปในอากาศถือเหลาคมซึ่งทำดีแล้วเหาะไปในท้องฟ้าพระพุทธเจ้าทรงทำป่าใหญ่ให้สว่างสวไยวเหมือนไฟบนยอดภูเขาเหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญเหมือนต้นพยาไม้สาละซึ่งมีดอกบานสะพรั่งฉะนั้นข้าพเจ้าเห็นพุทธรังสีมีสีคล้ายเปลวไฟที่ไหมไม้ อ, อ้อ โวพุ่งออกจากป่าจึงทำจิตให้เลื่อมใสเขาพเจ้าเลือกเก็บดอกไม้อยู่ได้เห็นดอกกัญชาซึ่งมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นทิดจึงเก็บมาสามดอกได้บูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดครั้งนั้นด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าดอกไม้ของเขาพเจ้าทั้งสามดอกกลับขั่วขึ้นหันกลีบดอกลงทำเป็นร่มเงาเพื่อพระาศาสดา ด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้เปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นวิมานสูงหกสิบโยธกว้างสามสิบโยธซึ่งบนกำกังสร้างขึ้อนอย่างสวยงามเพื่อข้าพเจ้ารู้จักกันว่ากัร น, นิ ก, กาววิมานพราสาทเจดชั้นสูงพันชั่วลูกธนูจะพร่งไปด้วยธง พราวไปด้วยแก้วมณีสีเขียวและป้อมหนึ่งแสนป้อมปรากฏในวิมานของข้าพาเจ้าบัรลังทองคําบรรลังแก้วมณีบรรลังแก้วทับทิมและบรรลังแก้วผลึกเกิดขึ้นตามความปรารถนาตามประสงค์ที่นอนมีราคามากยัดด้วยนุ่นมีลวดลายต่างๆมีขนตั้งขึ้นด้านเดียวและหมอนพร้อมข้าพาเจ้ามีหมู่เทวดาห้อมล้อมออกจากวิมาน เที่ยวจาวึกไปในเทวโลกในเวลาที่ปรารถนาจะไปยืนอยู่ภายใต้ดอกไม้เข้าพเจ้ามีดอกไม้เป็นเครื่องมุงบังอยู่เบื้องบนสถานที่ประมาณร้อยยอดมุงบังไปด้วยดอกกัญชาเครื่องดนตรีหกหมื่นชิ้นบรรเลงกล่อมเข้าพเจ้าทั้งเช้าและเย็นไม่หยุดย่อนแวดล้อมเข้าพเจ้าเป็นนิดตลอดคืนตลอดวันในวิมานนั้นเข้าพเจ้ารื่นรมด้วยการฟ้อนการขับร้อง การเคาะกังสดานและการประโคมเขาพระเจ้าเป็นผู้หมกมุ่นในการบันเทิงอยู่ด้วยความยินดีในการเล่นครั้งนั้นเขาพระเจ้าบริโภคและดื่มอยู่ในวิมานนั้นบันเทิงอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึองเข้าพระเจ้าพร้อมด้วยหมู่นางอักษรบันเทิงอยู่ในวิมานอันอุดมเขาพระเจ้าครองเทวสมบัติตลอดห้าอชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิสามร้อชาติ และได้ดเป็นพระเจ้าประเทศสราชอันไพยบนับชาติไม่ท้วนเมื่อข้าพเจ้าเวียนไหวตายเกิดอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ย่อมได้โภคะมากมายข้าพเจ้าไม่มีความพร่องในโภคะเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าเวียนไหวตายเกิดอยู่ในสองพบคือหนึ่งพบเทวดาสองพบมนุษย์คติอื่นข้าพเจ้าไม่รู้จักเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าเกิดเฉพาะในสองตระกูลคือหนึ่งตระกูลกษัตรสองตระกูลพราหมณ์ตระกูลต่ำเขาพระเจ้าไม่รู้จักเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าย่านคือช้างย่านคือม้าวอและคานหามเขาพเจ้าก็ได้รับมาครบถ้วนนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า มูธาดหญิงธาดชายและเหล่านา comport, ร, รีที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามข้าพเจ้าก็ได้รับมาครบถ้วนนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าผ้าไหมผ้ากำพลผ้าเปลือกไม้และผ้าฝ้ายข้าพเจ้าก็ได้รับมาครบถ้วนนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าผ้าไหมผลไม้ใหม่โพชนะมีรสเลิศใหม่ๆข้าพเจ้าก็ได้รับมาครบถ้วน นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าคำเชื้อเชิญเช่นนี้ว่าเชิญเคี้ยวกินสิ่งนี้เชิญบริโภคสิ่งนี้เชิญนอนบนที่นอนนี้ข้าพุทเจ้าก็ได้รับมาครบถ้วนนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าข้าพุทเจ้าเป็นผู้ที่เขาบูชาในที่ทุกสถานมียศสูงส่งมีพวกมากมีบริวารไม่แตกแยกกันทุกเมื่อบรรดาพวกญาตกข้าพุทเจ้าเป็นผู้ประเสริฐที่สุด นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าไม่รู้จักความหนาวความร้อนทั้งไม่มีความเร่าร้อนอันหนึ่งทุกทางใจก็ไม่มีในหัตถยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้มีผิวพันดุจทองคําเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ความเป็นผู้มีผิวพันสามข้าพเจ้าไม่รู้จักเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าถูกกุศลมูลตักเตือนแล้วจุติจากเทวโลกเกิดในตระกูลมหาศาลที่มั่งคั่งในครงสาวัตถีข้าพเจ้าได้ละกามคุณห้าออกบวชเป็นบรรณชิตมีอายุได้เจ็ดขวบก็ได้บรรลุอรหัตผลพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุทรงทราบคุณวิเศษของข้าพเจ้าจึงให้ข้าพเจ้าอุปสมบทข้าพเจ้ามีอายุน้อยอยู่ก็ได้เป็นปูชนียบุคคล นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าที่พะยาะจักษุ ข, ของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ข้าพเจ้าผู้ฉลาดในสมาธิถึงความสำเร็จอภิญญานี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าบรรลุ ป, ปฏิสัมพิทาฉลาดในอิทธิบาทถึงความสำเร็จในธรรมทั้งหลายนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยกลับที่สามหมื่นนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้บูชาพระพุทธเจ้าไว้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 อุตรเถราประธานที่หกจบ